เรื่องผ้าเพลาะผ้าที่ไม่ตัดสองผืนที่ตัดหนึ่งผืนผ้าก็ยังไม่พอภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ตัดผ้าเพลาะภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ติด ผ้าเพราะภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุไม่พึงใช้ผ้าที่ไม่ได้ตัดทั้งหมดรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏ